้ากล่าวถึงว่าไม่มีศรัทธาตรงนี้ยกตัวอย่างว่ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อในพระพุทธเจ้านะแล้วพระธรรมนี่จะเชื่อไหมไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อในพระธรรมจะเชื่อพระสงฆ์ไหมพระสงฆ์ที่เป็นผลของพระพุทธรธรรมเนี่ยก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนั่นแหละ ก็คือไม่มีศรัทธาในพระตนะตรายแล้วพระตนะตรัยชี้นะชี้นาชี้แนะในข้อปฏิบัติคือตรัยศิขาเป็นต้นเนี่ยนะยินดีไหมที่จะปฏิบัติตรัยศิขาก็ไม่มีทางบุคคลเช่นนี้เรียกว่าผู้ไม่มีศรัทธาถือว่าคนยากในศาสนานี้เนี่ยนะคนทุกขตะเข็นใจในศาสนานี้ก็อย่าไปเชื่ออะไรกับวิบากและกรรมมชโรมากใช่ไหม เพราะว่าไม่รู้จะจุติวันไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะเด็กก็จุติได้ผู้ใหญ่ก็จุติไม่ไม่ขาดสายเนี่ยนะก็จุติกันหมดนะไม่มีเหลือทีนี้ต่อไปผู้ไม่มีหิริหิรินี่ก็คื อ, อความละอายต่อทุจริตเกรงกลัวต่อทุจริตผู้ที่ไม่มีหิริก็คือไม่รู้สึกว่า อายต่อความชั่วแม้แต่หน่อยเดียวเลยไม่อายต่อความชั่วทางกายไม่อายต่อความชั่วทางวาจาไม่อายต่อความชั่วทางใจเนี่ยนะโอตปะขอไปไม่มีโอตปะก็คือไม่มีความเกรงกลัวต่อความชั่วทางกายไม่มีความเกรงกลัวต่อความชั่วทางวาจาไม่มีการเกรงกลัวต่อบาปอกุศลเลยแม้แต่หน่อยเดียวจานวนว่าเห็นเอกของมีคมแล้วไม่นึกหวาดเสียวบ้างเลยนะ ใช่ไหเห็นเศษแก้วเศษกระจกเศษกระเบื้องตะปูทั้งหลายที่มันสูงโผลมาที่มันพอจะกลัวได้ก็ไม่นึกกลัวเลยอันนี้เรียกว่าอะฮริกะเขอไปอะโนตปะแต่ว่าแม้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าละอายมากแต่ก็ไม่รู้สึกละอายเลยอย่างนี้เรียกว่าอหฮีริกะผู้ที่มีอะฮีริกะและอโนตปะอย่างนี้เรียกว่าผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในอะศัตธธรรมก็เป็นธรรมที่เป็นเหตุให้เข้าไปสู่อบายอันนี้เป็นพาสปอร์ตไปสู่อบาย เนี่ยนะนะต่อไม่ยากเชื่อมง่ายมากนะทีนี้ข้อที่4ี่นะคือพวกที่มีสุตะน้อยเนี่ยนะสุตะน้อยคาว่าสุตะในที่นี้ก็คือการฟังเหตุแห่งความดีและผลแห่งความดีเหตุแห่งความชั่วและผลแห่งความชั่วคือฟังนะฟังธรรมะที่ดำฟังธรรมะที่เขาเนี่ยนะฟังเรื่องกุศลอกุศลมิบากของกุศลและอกุศล ผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังอย่างนี้เลยเนี่ยนะถามว่ามันจะสร้างเหตุแห่งสุคติได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนั้นผู้ที่มีสุตตะน้อยก็คือธรรมะที่จะทําให้เขาเสื่อมเสื่อมขนาดไหนก็ขนาดเกิดในอบายได้สบายๆนั่นแะเมื่อก่อนนะโหฟังเรื่องอบายเนี่ยเหมือนคําขู่เมื่อก่อนเนี่ยฟังเหมือนกับว่าเวลาอ่านพระไตรปิฎกเวลาศึกษาธรรมะนะเอ๊ะพระพุทธเจ้าทําไมขู่เราเหลือเกินเนี่ยนะ ตอนนี้ไม่ไม่เชื่ออ่าไม่คิดว่าเป็นคําขู่แล้วเป็นคําที่ผู้หวังดีเขาบอกเพราะว่าตั้งแต่นเนี่ยอยู่ยิ่งอยู่เขานานๆเนี่ยนะมันเห็นสัตว์ในอบายมากเหลือเกินเนี่ยก็เลยโอ้เชื่อจริงๆว่าไม่ไม่เถียงละเพราะว่าพระองค์ว่าไงก็เป็นอย่างจริงเพราะว่าสัตว์ในอาบายเนี่ยมากเหลือเกินเนี่ยนะไม่ไม่ทกไม่เถียงละ <c oughs> มันมันอย่า ง, งานั้นจริงๆพราะเดินเนี่ยนะลืมปั๊บครับอ่าอ้นแลเนี่ยนะมีพยาบาลไปดูแลเลยเนี่ยนะก็ปวดต่อไป เพราะว่ามันไม่ได้ทําประกันไว้ใช่ไหมพวกหอยพวกทากไม่ได้ทําประกันไว้เลยมีใครดูแลสักคนเลยนะแอ่คนเหยียบเองก็อ๋อเหยียบไปแล้วเงี้ยมดก็ไม่ใช่น้อยนะมันเป็นขบวนขบวนเลยนะฝนตกยิ่งเมื่อตอนที่ไปที่สุรินทร์เนี่ยเราก็ไปอยู่กลางทุ่งเลยใช่ไหมแล้วก็ต่อไฟไปพอไฟเนี่ยกลางคืนเราพอเราเปิดไฟปั๊บเนี่ยฝนคือมแมลงเนี่ยมันตกอย่างหาฝนเลยนะต้องรีบปิดเลย มันตกมาอย่างกระฝนกย่นน่ะเพิ๊บเ พ, พ, พ, พิแป๊บเดียวเนี่ยได้ว่าเป็นกลัมังอยู่แล้วในบริเวณที่ไฟสว่างแค่แค่บริเวณหลอดนะแต่ที่อื่นอีกต่างหากเนีนนน่ไม่รู้ว่ามันมายังไงกันไม่รู้นะภายใ น, นไม่กี่นาทีมันตกยังกระหาฝนอย่างนั้นเลยบากโูโคเดระชานมากจริงๆเนี่ย น, นะแล้วก็เสียงสัตว์มันร้องระ ง, งมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสุตตะน้อยก็เป็นเหตุแห่งอบายเหล่านั้นอยู่แล้วอันสุตตะน้อยก็ถือว่าอสัตธรรมเหมือนกันนะ ทางธรรมะถือว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังในถือว่าอับประมงคลเหมือนกันนะไม่มีมงคลในตัวเองเลยนะเพราะว่าพะหุสัจจันจะสิปัญจวิเนโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจายาวาจาเอตัมมังคารมุตตะมังเนี่ยน ะ, ะตั้งแต่พะหูสูตรความเป็นพะหูสูตรเป็นมงคลอ่ะนะเมื่อสุตตะน้อยมันก็อับประมงคลอย่างยิ่งแล้วเนะี่ยนะเพราะฉะนผู้ที่ไม่มีสุตตะก็นับว่าเป็นอับประมงคลเมื่อไรนะที่เราทั้งหลายเห็นว่าการฟังธรรมเป็นต้นการอ่านพระธรรมการศึกษาพระธรรมว่าเป็น เป็นรัพย์ได้เมื่อไหรก็ถือว่าคือเป็นงานชนิดหนึ่งที่เป็นเหตุแห่งอริยรับนะถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจะยินดีมากในการอ่านเนี่ยนะอ่านถึงอ่านแล้วก็ยินดีที่จะอ่านอีกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นทรัพย์ของเราอ่ะนะมันเป็นกิจการงานที่ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เราเองแล้วก็พวกขี้เกียจเนี่ยนะเกียร์ครานคําว่าเกียร์ครานเนี่ยนะคือขี้เกียจละบาปขี้เกียจเจริญบุญอ่ะนะพวกนี้เรียกว่าคนขี้เกียจนะ ขี้เกียจละบาปขี้เกียจเจริญบุญเนี่ยนะนะพวกนี้เรียกว่าคนเกียจคร้านบอกว่าคนที่มีความเพียรซ้ำนะถึงจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีเนี่ยความชีการมีชีวิตของผู้ที่มีความเพียรเนี่ยนะวันเดียวเนี่ยประเสริฐกว่านะในสหัสวรรษพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นสหัสวรรษคาถาธรรมบทเนี่ยนะนะบอกว่าผู้ที่เป็นอยู่ด้วยความเกียจคร้านถึงเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ร้อยปี สู้ชีวิตของคนที่มีความเพียรมีชีวิตอยู่วันเดียวก็ไม่ได้นะนผู้ที่มีความเพียรเพียรในที่นี้ทำยังไงก็คือเพียรละบาปนะเอาตรงละบาปเป็นเกณฑ์กับเพียรเจริญบุญแต่ถ้าตื่นไม่รับไม่นอนเลยนะเครียดตลอดทั้งวันทั้งคืนนะอันนี้ก็มาเรียกว่าคนเกียรครานอีกนั่นแหละนะถ้าตื่นแล้วก็อกุศลจิตเกิดก็เรียกว่าคนเกียรครันทีนี้ต่อไปถ้าหลงลืมสติ น, นนะลงลืมสติก็คือระลึกถึงสิ่งที่ทำคําที่พูดแม้นานก็นไม่ได้ฟั่นเฟือนเลอะเลือนเ ล, ะลอละเทอะไปหมดเลยนะพวกนี้แหละเขาเรียกว่าลงลืมสติอันนี้ก็ไม่ใช่ซับแหละนี น, นะถ้าเกิดไปลืมตอนไหนเนี่ยนะลืมก่อนจะจุตินึกไม่ออกว่าทำบุญอะไรไว้บ้างเ น, น, นะไอ้ตรงนั้นนี่แย่ไปนึกไม่ได้เอ๊ะเกิดใส่บาทไว้บ้างหรือเปล่าเนี่ย น, นะ สมาทานศีลเอาไว้บ้างหรือเปล่าทํากุศลอันไหนไว้บ้างหรือเปล่านึกไม่ออกอย่างนี้เขาเรียกว่าส้ำ ม, มุลโหส้ำ ม, มูลหะแปลว่าหลงพร้อมนะกาลังกรโรติตายช่วงนั้นก็ทุกคติตาติกังขาอบายหวังได้เนี่ยนะทุกคติก็หวังได้เพราะฉะนั้นการเนิร์ฟถึงเนี่ยนะสำคัญมากเพราะฉะนั้นฟันเฟือนอะไรเลอะเรือนตอนไหนก็พอว่านะไอตอนใกล้จะจุติเนี่ยให้มันเนิร์ฟได้สักอย่าง นึกนึกอย่างเนาะให้ได้พุทธานุสติก็ก็ดีมา ก, ก น, นะแต่ทีนี้ถ้าเขาไม่นึกล่ะไม่นึกเดี๋ยวรู้จะไปเตือนหน่อยจะเริญพุทธคุณหรือเปล่าเนี่ยนะจะไปถามนั่นหน่อยเดี๋ยวถ้าภู ก, การธนัตป่วยจะไปเยี่ยมไปถามว่า น, นี่สวดมนต์อยู่หรือเปล่าเนี่ยนะไม่ได้แช่งเล่าให้ฟังว่าถ้าป่วยก็ไปจริงๆอ่ะจะไปถามว่า น, นี่สวดอิติปิโสไว้หรือเปล่าจะเริญพุทธานุสติไว้หรือเปล่าเนี่ยนะสวดว่า ย, ยังไงมัง่งสวดให้ฟังมั่งตื่นกังไลนะก็ไปพราะไปลองดูแล้วกับแม่คุณนภาไปถามนี้แหละ เจริญพุทธานุสติหรือเปล่าไปสวดมนต์หรือเปล่าเนี่ยนะสวดว่ายังไงบ้างสวดให้ฟังหน่อยอย่าง้นะแต่ก็นะโมตสระพะคะวะโตเอดีๆนะสวดอย่างนี้ไว้เยอะๆเหมือนกันอายุมากมันก็แก่ไปทางรดาเี่องบรดาแต่ว่าถ้าถือตรงนั้นการจะทที่ทาไปแล้วอย่างดีเนี่ยมันต้องให้ผลบ้าง่งแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ให้ผล แต่ว่ามันจะให้ผลเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึง่งมันเหมือนอะไรอ่ะนะเหมือนกับเราเนี่ยทํางานเอาไว้เยอะอ่ะนะนึกอยากจะซื้อของแล้วก็เลยไปตลาดและลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปด้วยอะ่ะถามว่าไอ้ที่ทําไว้นะมันได้ใช้มันได้ใช้แต่ว่ามันหลังนะไอ้วันนี้ที่จะไปใช้งานเนี่ยมันไม่ได้ไอ้หลงลืมมันเป็นแบบนั้นเอาไหมล่ะเอาก็อุตสาห์ทําไว้เยอะมันจะหายไปไหนล่ะมันไม่หายหรอก แต่ว่าเหมือนกับเดินทางแล้วลืมกระเป๋าสตางค์ไปด้วยนะก็ไอ้หลงลืมมันลักษณะเดียวกันเนี่ยนะยังไงก็พกพกเอาไว้หน่อยนะวางวางก็อิติปิโสไว้ก็ยังดีนะแปลได้กับแจวละนะก็ทีร้องเพลงทาเพลงเนี่ยนะเพลงใครก็ไม่รู้ร้องกันเดร์ฉานกถาทั้งนั้นนะนะเราก็แหววทวนแล้วทวนอีกท่องแล้วท่องอีกว่าอยู่นั่นแหละนะไม่มีดนตรีกับขาอเองบ้เงข้อนูน่นขาะนี่ก็ว่าไปด้วยทีอย่างนั้นก็ขยันจังอ่ะนะ ถ้าสวดมนต์คิดถึงว่าพู้แเจ้าทําไมจะขยันมั่งเลยได้นะก็ ม, มาสวด <Bye. S 2> ไป น, นะเนี่ยเดรัจฉานมันร้องระ ง, งมป่าอยู่นั่นแหละมันก็ยังร้องได้ทำไมเราสวดพุทธคุณทำไมจะสวดไม่ได้ไ น, นะทําเป็นอายเรื่องนี้ทําเป็นอาย น, นะที่ร้องเพลงดังลั่น น, นะนะสามบ้านเจ็ดบ้านไม่เห็นอายเลยอย่างนั้นน่าอายจนไม่น่าอายอเพราะฉะนั้นสวดไปเถอดดีมาก น, นะก น, นะบอกว่าแทนที่จะไปอากุศลไม่ตกเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเวลาที่เราสวดมนต์เป็นต้นเนี่ยนะจิตเราเป็นระเบียบ คือแทนที่จะไปคิดเรื่องลุ่มๆดอนๆเรื่องทั่วๆไปนะอย่างน้อยจิตมันก็เป็นระเบียบใช่ไหมถ้าส่วดหนึ่งชั่วโมงอะนะถือว่าความเป็นสมาธิก็ยาวหนึ่งชั่วโมงยาวหนึ่งชั่วโมงนี่ถ้าถ้าสวดจนชํานาญเนี่ยนะแล้วทุกบทที่สวด น, นะเอามาคิดดูเถอะเนี่ยนะมีความหมายทั้งนั้นเลยโบราณท่านไม่ค่อยหลอกเราอะนะทั้งแบบอิติปิโสพะคะวาอรหังเป็นต้นเนี่ยแต่ละบทเนี่ยดีจริงๆท่านไม่ได้แต่งหลอกเราอะไรหรอกแต่ถ้าเราต้องเอามาขี้ตามแต่ตอนมันคิดไม่ได้มันฟุ้งอะนะ ก็ว่าไปก่อนว่าซ้ซําๆให้มันชินเน่ยนะนะหลวงพ่อบางองค์นะของมายังชอบท่านอยู่ทุกวันนี้เลยบอกอ้าวยมนี่ป่วยนะเคราะไม่ค่อยดีโยมมอมอายุเท่าไรแปดสิบเลยเออไปสวดอิติปิโสอย่างน้อยก็แปดสิบรอบขึ้นไปนะนะน่นนะเออดีอย่างนันะนะเออมายังชอบท่านเลยนะเออท่านท่านมีวิธีที่ดีมากถือว่าเป็นกุสโลบายชั้นเยี่ยมเลยนะเขาจะได้ส่องเสพพุทธคุณมากขึ้นมากขึ้นแล้อีกอย่างหนึ่งคัมภีร์ท่านก็บอกอยู่แล้วว่า ผู้ที่เจริญพุทธานุสตินะกล่มอุปปีและกะกรรมมาเบียดไม่ได้อุปปีและกะกรรมก็ช่วยได้เยอะอุปคาตกรรมก็ช่วยได้เนี่ยนะถ้าไม่หนักจริงๆนะแต่ถ้ากรรมหนักจริงๆก็พระพุทธเจ้าไปยังวิบากไปยังเล่นงานอยู่เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงทั่วๆไปนะมันป้องกันได้แล้วนะนะก็มันสวด น, น, นะอย่างแกสุดากี่กระยุ้เท่าไหร่ก็อย่างน้อยให้มันได้วันลนะเกินเท่านั้นเอาไว้ลองทําสักสามเดือนเขาว่านะ แต่เกินไม่ไม่มีปัญหานงะแต่ว่าอย่ตาต่ำกันแล้วกันนะคราไม่สบายไม่อะไรก็สวดอย่างเงี้ยมากมากเอาไหแทนที่จะไปนั่งคิดมันหายหรือมันไม่หายมันเป็นโรคอะไรใครจะช่วยเราบ้างนะโอ้พวงี้อกุุลทั้งนั้นแหละก็ไปอิติปิโสภาควาดีกว่าก็าาอิติปิโสเลยใช่ไหม ดีแล้วสาธุานั่นไนงะก็ได้กี่รอบก็ไม่เป็นไรก็เอาตอนขึ้นรถขับรถก็เอาใ ห, ให้ให้จิตเป็นไปกับกุศลให้มากๆคืออกุศลเนี่ยน ะ, ะมันมีเหตุสมุทฐานหลายอย่างนะที่เราป่วยเนี่ยนะบางพวกอกุศลเพราะอธรมนุษย์เบียดเบียนก็มีอันนะบางพวกอกุศลเพราะอากุศลกรรมให้ผลก็มนะีคือป่วยบางอย่างนะมันมีเรียกว่าตัวเองเป็นเหตุก็มีใช่ไหมป่วยบางอย่างเพราะผู้อื่นเนี่ย เป็นเหตุให้ก็มี น, น, นะเ่ยสมุทฐานอาพาธ8อย่างนะเกิดจากความพยายามของตนก็มีเกิดจากผู้อื่นก็ทําให้ก็มีอะไรงี้ยนะถ้าการเจริญพุทธคุณเนี่ยพุทธานุสติในคาถาธรรมบทนะคาถาธรรมบทบอกไว้เลยว่าผู้ที่เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกายคตาสติแล้วก็เจริญกรุณาเจริญเมตตา ผู้ที่เจริญคุณธรรมเหล่านี้ไม่ต้องใช้ภาปริษหมายคําว่านี่แหละเป็นปริษ์อย่างดีไม่ต้องไปไล่เวทมนต์อย่างอื่นเลยเนี่ยนะแล้วก็เป็น เ, เป็นเครื่องป้องกันเป็นอย่างดีเป็นเครื่องรักษาเป็นอย่างดีเนี่ยนะทีนี้ยาบางอย่างที่ที่ใช้ตะกูลเนี่ยนี้ก็เป็นธรรมะที่จะช่วยรักษาด้วยเหมือนกันอย่างน้อยเป็นธรรมะโอสละเนี่ยนะก็รักษาจิตใจทัรูปที่เกิดจาก สมมติถ้าป่วยไข้โดยที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยนะกุศลจิตเกิดขึ้นโรคชนิดนั้นก็รักษาไปเนี่ยนะแล้วก็สําคัญมากที่สุดเนี่ยนะรักษาอาบายด้วยเพราะมันไม่ให้ไปสู่อาบายเนี่ยนะคือโรคในโลกนี้นะใครที่เกิดมาแล้วนะั่นจะเจริญอะไรก็ช่างเหอะตายเหมือนกันหมดเนี่ยนะต่อให้อรหัตมรรคเกิดนะคุณก็ตายเชื่อเถอะยังไงก็ตายอยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็ให้มันปิดอาบายได้บ้างนนะเอาตรงนั้น เคยได้ยินไหมพระอรหันต์ก็มีกลุ่มหนึ่งเรียกว่าประเภทชีวิตสมะศีสีอรหัตมรรคเกิดอรหัตผลเกิดปัจเจเวขณะกยานเกิดเสร็จจุติทันทีเนี่ยนะ่เรียกว่าพระอรหันต์ประเภทกลุ่มชีวิตสมะศีสีพระอรหันต์ท่านยังปรินิพานจะกล่าวไปยายถึงคนอื่นเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้จะไม่ตายไม่มีตายหมดแน่แต่สําคัญว่าเออถ้าตายก็มันก็ปิดอบายแล้วก็เบิกฟ้าก็ยังดีไม่ใช่ต้นไม้นะ ถ้าต้นไม้หมอทับมีแบบนั้นหมอจะซื้อแจกเหมือนกันต้นอะไรนะหมอต้นปิดอบายเบิกฟ้าชื่ออมรเบิกฟ้าจะผมสร้าเป็นอบาย <c oughs> อมร น, นี่แปลว่าเทวดานะเทวดาเบิกฟ้าเหมนัชื่อต้นไม้ว่าเทวดาเบิกฟ้าแปลว่าเทวดาเป็นชื่อหนึ่งของเทวดาเนี่ยนะนะอามรเบิกฟ้าก็คือเทวดาเปิดฟ้านั่นเอง อมระอา ม, มาระนี่มีหลายความหมายมันจะไปเหลืออะไรก็เหมือนกับพูดใช้คําว่าหมอเนี่ยรู้วิธีไม่ให้ตายนะหมอก็ยังตายอยู่เลยนะคือถ้าเอาแบบสูงสุดว่าโดยสภาวะแท้จริงมันก็อย่างว่าตายหมดแล้วนะคือป่วยบางอย่างเนี่ยนมะีมี ม, มนุษย์เบียดเบียนได้อยู่แล้วก็คือพวกที่ไม่ใช่มนุษย์ทัออ้งหลาย กลุ่มภาษาธรรมะใช้คําว่าปีศาจนะคือเทวดาก็มีถ้าเป็นเทวดาคู่เวรเนี่ยนะนะเขาจะมีกลุ่มพวกอมนุษย์เนี่ยนะที่กลุ่มเรียกว่าไทยๆอาจจะเรียกว่ากลุ่มผีทั้งหลายแหล่นี่นะมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือเรียกลุ่มปีศาจหรือภาษาทางธรรมะตรงๆและใช้คําว่ากลุ่มวินิบาติกลุ่มวินิบาตเนี่ยมีปฏิสนธิทั้งทวิเหตุติเหตุและอเหตุเนี่ยนะนะ มีทั้งอเหตุกะทวิเหตุกกาและติเหตุกะพวกเนี้ที่เก็บน้ำลายกินทั้งหลายเช่นเวลาเขาถ่มน้ำลายทิ้งเวลาซากสัตว์ตายอะพวกนี้จะไปกินอะนะพวกนี้ถ้ามันมันได้ปัจจัยบางอย่างเช่นเคยเป็นคู่เวรกันอะไรกันเนี่ยเข้าเบียดเบียนเราได้อยู่แล้วอุบัติเหตุหลายส่วนก็มีมาจากปัจจัยเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นคือพวกที่ตายแล้วเช่นไปเกิดเป็นพวกผีทั้งหลายแหละเนี่ยนะก็มาเล่นงานเราได้อยู่แล้ว แล้วในพระไตรปิฎกพูดไว้ด้วยนะพระพุทธเจา้าว่าผู้ที่ไม่เจริญเมตานะเขาบอกว่ากลุ่มพวกตังสุปีศาจเนี่ยนะเขาบอกปีศาจคลุกฝุ่นยังเล่นงานได้นะทำไม่เจริญเมตตาไม่อะไรเนี่ยพระองค์ก็แสดงไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาบมนุษย์เนี่ยเบียดเบียนเราได้สบายสบายอยู่แล้วแต่ถ้าเราเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยนะเทวตารักษันติเทวดาที่มีบุญเขาจะรักดูแลเรานะถ้าเทวดาเขาดูแลเราก็พวกนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ช่องนั้นนะ คือคู่เวนน่ะนะเขาเรียกว่าคู่เวนกลุ่มคู่เวนน่ะหรือไม่บางอย่างถ้าบาปมันให้ผลนะคนเห็นแล้วก็อยากแกล้งเราเหมือนกันคือถ้าบาปเรามันให้ผลนะเขาอยากแกล้งเราอ่ะมันยังไงไม่รู้เห็นแล้วมันขัดตาหน้าดูนะถ้าทําให้อันี่มันทุกข์หน่อยฉันจะมีความสุขเป็นอย่างมากอนะคือถ้าบาปมันให้ผลมันจะเป็นอย่างนั้นเกี่ยว่าบสำนวนไทยเราเรียกว่าผีซ้มด้ามพลอยเนี่ยนะมันถ้าบาปให้ผลคนอื่นเขาเห็นจะราคาญไปหมดเลย คู่เวนก็คือผู้ที่ผูกเวนกันเอาไว้แต่ปางก่อนถ้าอย่างั้นความหมายของคว่าเจ้ากรรมเวก็ยังมีอยู่เอ่อมแีแต่แต่ทีนี้ไอ้คาว่าเจ้ากรรมอ่ะผิดแ ต, แต่ว่าคู่เวนเนี่ยถูก น, ถนี่นใ น, นก็ไม่ใช่ว่าไร้สาระไปเลยมีส่วนถูกแต่ถ้าใช้คำว่าเจ้ากรรมนะมันไม่ถูกแต่ถ้าเป็นคู่เวนเนี่ยถูก คือในพระไตรปิฎกเราก็พูดถึงนางยักษศ์ศรีกับกุลธิดาใช่ไหมที่เป็นคู่เวรกันอ่ะนะหรือเรื่องอายุวัฒนกุมารอ่ะอายุวัฒนกุมารที่ยักษ์ที่เป็นคู่เวรจะมาฆ่าเนี่ย น, นะก็เขามีคู่เวรกันอยู่แล้วก็มีหลายเรื่องอ่ะนะเรื่องนางกุมาริกากินไข่ไก่ในธรรมบทก็มีที่เป็นคู่เวรอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยจะเป็นคู่เวรกันทีน่การทำกุศลแล้วมีการอุทิศให้อุทิศให้เพราะฉะนั้นคําว่ากรรมเจ้ากรรมเนี่ย เอาเออกไปก่อนอก็จะ<อ>ทำบุญนะบอกว่าถ้าอุทิศส่วนกุศลไปให้คู่เวรอย่างเงี้ยนะก็ได้คือถามว่าคู่เวรเหล่านั้นเนี่ยบางคนเนี่ยนะเห็นเราทำบาปเขาพยาบาทเลยเช่นยกตัวอย่างใครที่สมมุตนท่าควายและควายมันเกิดผูกพยาบาทถามว่ามันมีแรงได้ไหมก็อบอกไม่มีอะไรในโลกนี้จะยิ่งใหญ่เท่าจิตถ้าจิตมันได้ผูกไว้แล้วนะมันไม่เลิกราง่าย ก็เหมือนกับเราผูกผูกผูกกับเรื่องบางเรื่องนะเราจะไม่เลิกราเด็ดขาดถ้าได้ปัจจัยเมื่อไรแล้วจะต้องเอาให้ได้อยังไงนะพา ะ, ะคู่เวรทั้งหลายเนี่ยที่พูดถึงในพบก่อนก่อนก็มีไม่ใช่ไม่มีนั่นแหละที่ที่เป็นคู่เวรแล้วมาเบียดเบียนในท่าในคำพีของเรานี่พูดเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ําไป น, น, นะอาจจะคู่เวรกันมาหลา ย, ลายชาติอย่างพระขยปกุศติพาหยะทารุจิรย ะ, ะนายเพชรคาดขาวแดงเลยนะ ที่ควายมาขีดนะนะคู่เวนสุปาพุทะเนี่ยพวกนี้กลุ่มคู่เวนซึ่งมาจากหลายชาตินั้นนะไม่ใช่เพิ่งมาแต่ว่าไอ้วัตตะอันยาวนานเนี่ยนะมันก็พร้อมอะที่ไม่รู้เราไปทําอะไรมาบ้างใช่ไหมคู่เวนเนี่ยมันเวลาทํากุศลสมัยใหม่บางกลุ่มก็แนะนําให้ทะอุทิศส่วนบุญไปให้กลุ่มนี้บ้างเนี่ยนะไปไป คือก็ไม่ได้เสียหายบุญเราก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมก็อุทิศเพิ่มเท่านั้นเองนะแต่ว่าไอ้คาว่าเจ้ากรรมปุ๊บก็จะมองกรรมเป็นบุคคลอันนั้นไม่ใช่อันนี้คือคู่เวรนะนะแต่คู่เวรเหล่านั้นจะให้ผลก็ต่อเมื่อเราเนี่ยอากรสนบางอย่างมามาเบียดบางอย่างแล้วคือกลุ่มกรรมนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งละกลุ่มคู่เวรก็อีกกลุ่มหนึ่งนะ ทั้งท่ากรรมมันถ้ากุศลกรรมอ่อนกำลังลงเวรก็เข้าแทรกได้และอย่างหนึ่งวัตตะอัญยาวนานเนี่ยนะมีบาปอะไรบ้างไม่เคยทําหายากมากทำไม่แล้วเราไม่เคยแกล้งใครไว้บ้างมนะีแค่ชาตินี้นะสำหรับบางคนเนี่ยที่เคยฟังมานะมันนึกไม่พอใจไว้ตั้งหลายคนมันหาช่องจะเล่นงานอยู่บ้างเหมือนกันเนี่ยนะบางคนเนี่ยผูกพยาบาทไว้ตั้งกับเด็กๆ เ, เลยนะ พอมันโตขึ้นมาแล้วมันจึงแก้กแคนได้สําเร็จอย่างนี้นะหาช่องจนเล่นงานได้สาเร็จบางคนนี่พยาบาทแรงขนาดนั้นนะบางคนเนี่ยพยาบาทตอนไม่เมาพอเมาปั๊บเนี่ยอาราวาสละนะไอ้ที่เก็บไว้ตอนก่อนเมาไว้มีเท่าไหร่เนี่ยมันซัดขึ้นงัดขึ้นมาหมดเลยนะพวกนี้เคยเห็นมาทั้งนั้นแหละว่าเออมันเป็นอย่างนั้นพวกที่ผูกเวรทั้งหลายแหละนะพวกหนึ่งบงหนึ่งได้สี่ทั้งหลายแหละเนี่ยนะถ้ามัมนเะทํามันทําเราหนึ่งนะเราต้องเอาสิบอย่างนี้นะพวกกลุ่มเนี่ย เอาพยาบาทแรงมากปัญกุศลท่ายิ่งเจริญได้ก็เป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะพุทธคุณเนี่ยนะเป็นปริษเป็นเครื่องป้องกันอย่างดีแต่เครื่องป้องกันนะหนึ่งย้อนอีกครั้งนะหนึงพุทธานุสติ 2. ธรรมานุสติ 3. ส, สังคานุสติ 4. กายคตาสติ 5. เมตตา 6. ก, การุณาเนี่ยนะนะฐานะหกประการ น, นี้ถือว่าเป็นเครื่อง น, นะนะพง์บอกว่าเป็นเครื่องป้องกันนะพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติกายัคตาสติไม่ได้กล่าว น, นะเฉพาะที่ตรงนี้นะไม่ได้กล่าวไว้กล่าวไว้หกอย่างเนี่ยฐานหน้าหกอย่าง <c oughs> ยา ก, ก็นเครื่องป้องกันเป็นอย่างดีทีนี้เมตตาการุณาเจนพานพรหมวิหาร แต่ถ้าเอาหาระมาจับก็เข้าหมดแนละเจริญกุศลทุกอย่างไม่ผิดหวงนะังอดีหมดทีนี้ส่วนผู้มีปัญญาสามเนี่ยนะปัญญาที่สามไม่มีหรอกปัญญามีแต่ดีทั้งนั้นแหละแต่คำว่าปัญญาสามเป็นความหมายของคำว่าหมายถึงคนไม่มีปัญญาเนี่ยนะนะไม่ใช่ปัญญานี่ชั่วไม่มีปัญญามีแต่ดีแต่ทีนี้คำว่าปัญญาสามเนี่ยไปพูดถึงว่าบุคคลนั้นนะไม่มีปัญญาเหมือนกันแ <c oughs> คือบางบางคำเนี่ยนะเขาพูดเหมือนกับว่ารักษา namjai น ะ, นะจะใช้คำว่าไอ้คนไม่มีปัญญาก็น่าเกลียดนัก็บอคนนี่ปัญญาไม่ค่อยดีอย่างนั้นนะก <c oughs> ็กลุ่มคำเหล่านี้ <c oughs> ทั้งเจ็ดอย่างนะเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายได้หมดเลยถ้าไม่มีโดยเฉพาะพูดถึงว่าผู้ที่ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งนะเชื่อว่ามีครบนั่นแหละ เพราะว่าพวกนี้มันมันธรรมะกลุ่มชนิดชนิดเดียวกันะนะขอให้ไม่มีเช่นไม่มีศรัทธานะิริโอต ป, ปะสุตะเกียดคร้านหลงลืมไม่มีปัญญาเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนั่นะนะทีนี้ส่วนสัทธธรรมเจ็ดสัทธธรรมเจ็ดตรงนี้จะมีอธิบายเพิ่มเติมละเอียดอีกครั้งหนึ่งในพุทธคุณบทว่าวิชาจารณะสัมปันโนนั่นะนะตรงจารณะนะสัธรรม็นี่แหละคือจารณะด้วย จารณะเจ็ดก็คื อ, อจารณะทั้งหมดมีสิบห้าใช่ไหมจารณะสิบห้านี่ประกอบไปด้วยหนึ่งปฏติโมคขสังวรหรือศีละสังวรสองอินทรีสังวรสามโพช เ, เน ย, ย, ย, ยมัตันยุตาสี่ชาคริยานุยโยกเนะแล้วก็บวกสัตยธรรมอีกเจ็ดเป็นเท่าไหร่สี่บวกเป็น11บอ็นแล้วบวกอีกฌานอีกสี่เป็น15้าเรียกจารณะ 15. สิบห้านั้นสัตธรรม7ดเนี่ยก็คือตรงนี้ สัตธรรมเจ็ดนั้นก็คือเป็นผู้มีศรัทธาเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุแห่งธรรมะที่ทําให้วิเศษขึ้นคําว่าวิเศษนี้วิเศษขนาดไหนก็คือผลที่ชัดเจนเลยก็คือสุขติภพเนี่ยนะคือการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทั้งหลายก็เป็นผลของสัตธรรมเจ็ดประการเนี่ยนะเจตนากรรมที่ที่นำเกิดเนี่ยนะ แรกก่อนนะว่ามีศรัทธาก็คือมีตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะนะอันนี้สัตธรรมเจ็ดนี้บางแห่งเรียกว่าซับเจ็ดเลยนะเรียกว่าธนธะนะเป็นทรับเนี่ยนะเป็นทรัพย์ภายในเนี่ยนะอริยซับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธานี่ชื่อว่าคนมีทรับแล้วนะข้อที่สองมีหิริละอายต่อทุจริญสาม แล้วก็ละอายต่ออกุศลบาปประธรรมทุกชนิดนีนะอย่างนี้เรียกว่ามีอิรศเนี่ยนะใครใครใครมีความคิดว่าเออเนี่ยไอการละอายเนี่ยเป็นเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งนะละอายต่อบาปเนี่ยเป็นอริยทรัพย์นะก็ถ้าใครคิดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าน่ายกย่องมากเลยนะน่ายกย่องเลยแหละโอตะปะก็คือสะดุ้งกลัวต่อทุจริตสามและสะดุ้งกลัวต่ออกุศลบาปประรรมทั้งหลาย อายต่อชั่วด้วยเกรงกลัวต่อความชั่วด้วยแม้ผู้นี้เรียกว่าผู้มีทรัพย์ส่วนผู้มีส ต, ต ะ, ะสุตะสุตะแปลว่าผู้เป็นพหูสูรคำว่าพหูสูรนี้เป็นยังไงหมายถึงบุคคลผู้ทรงสุตะทรงสุตะก็คือรักษาสุตะไว้ได้สั่งสมสุตะเป็นผู้ได้สดับมากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจเอาแบบลักษณะคล่องปากนะขึ้นต้นกบพื้เลยไงนะ เวลาวันมีกี่สูตรบ้างที่ขึ้นแล้วพื้นเลยเนี่ยนะอิติปิโสเนาะคล่ลองเลยมอิติปิโสพอไห ว, นะไวยังอื่นนะ่ะจิตมีแปสก้าหรือหนึ่งร้ยสิแปดวงคือกามาวิจารณ์จินะสีมรรคตาจิตีเจีบอย่างนี้ได้คล่อง<พ> อ, อ่ะให้คุณมุนชูนชนอ๋อแล้วก็ท่องไว้ให้คล่องปากขึ้นใจมีอยู่สูตรหนึ่งมีพระสมัยพุทธกาลอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าพระโลลุทายี พระโลลุทายีเนี่ยนะโลลุมันก็แปลว่าเลอเอนะือดเถอนนะอุทายีเลือดเถอ่อเขามีหลายอุทายีนี่มีหลายหลายองค์มีมหาอุทายีก็มีมหาอุทายีก็พระกาลุทายีเนี่ยนะที่เป็นอมาตสหาชาติกับพระพุทธเจ้าเราอะ่ะนี้เขามีอุทายทีเรียกว่าโลลุทายีอุทายีเลอเอือดเถอนเนี่ยนะเป็นอุปชาก็ไม่ดีชักชวนลูกศิษย์ทางเสียหายอีกเนี่ยนะเขามีวันหนึ่ง เมืองสาวัตถีเขาปกติเขาจะมีฟังธรรมนะฟังธรรมเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงแต่ว่ากิจกรรมหลักก็คือการฟังธรรมชาวบ้านทั้งหลายเขาเขมาฟังธรรมภาษาลีบุตรเทศบัง่งพระโมกขลานาเาะเทศบั่งพอเทศจบเขาก็ชมกันใหญ่มาภาษาลีบุตรเทศดีเหลือเกินพโมกขลานะก็แจ๋งมากอ่ะนีก็โยกย่องกันอ่ะนะพระอุทายีได้ยินขึ้นนี่โยมนะขนาดฟังพระสารีบุตรพระโมกขลานะเทศยังชมขนาดนี้ถ้าฟังอัตมาเทศมันจะขนาดไหนงนั้น ถ้าฟังอาตมาเทศเนี่ยมันจะขนาดไหนโยมนี่งงเลยนะโอ้โหสงสัยท่านเป็นธรรมกะถึกกล้าเปรียบถึงขนาดนี้นะแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะนิมนต์กันแล้วกันเออก็รับปากกันไว้ทีนี้พอถึงวันฟังธรรมนะเขาก็มาทําบุญให้ทานกันเนี่ยเดี๋ยวก็นิมนต์นะวันนี้ท่านมนต์ขึ้นเทศนะช่วงเช้าอ่าก็ไปนิมนต์ท่านท่านก็มาล่ะมาก็มานั่งบนธรรมบม้านนะมันนึกอะไรไม่ออกสักอย่างเดียวนะ เอาอย่างนี้กันแล้วกันเดี๋ยวอาตมาจะไว้เป็นผู้สวดสารพันย ะ, ะเดี๋ยวรอให้คนอื่นมาเทศก่อนท่านก็มาถึงเวลาสารพันยะขึ้นมาก็นึกอะไรไม่ออกอีกก็เดี๋ยวเอาไว้ตอนค่ำๆกันแล้วกันนะเดี๋ยวรอบค่ํากันแล้วกันนะยมว่เอ้ายอมมันนะรอบค่าอีกเอนิมนองค์อื่นมาเทศอีกเอางี้เดี๋ยวเขามาเทศดึกๆ ก, ก, กันแล้วกันนะผลัดอีกสพลัดแล้วนะผลัดหนึ่งสองสามสี่พอลัดสเนี่ยขึ้นไปก็นึกอะไรไม่ออกอีก ทีนี้ชาวบ้านมันมีไอ้พวกที่ววยวายแล้วกันนี่ท่านว่ายังไงทำไมท่านไม่ได้นะก็จับก้อนดินท่อนไม้บ้าง น, นะขู่ครูพระบ้างพระเด่กก็วิ่งหนีเลยไปตกหลุมส้วมโนอย่างหลังวัดเอาทายีไปตกส้วมเลยนะเสร็จแล้วก็เรื่องราวก็พระก็มาคุยกันนะว่า oh, oh, โอ้ยอวดดีเหลือเกินนี่หน้าตกส้วมเลยพระองค์นี้บ้า